การพัฒนาคนพัฒนาสังคมไม่มีทางได้ผลจริงถ้าทอดทิ้งฐานของการพัฒนาคือมโนกรรมเป็นอันว่าอารยธรรมปัจจุบันที่มีตะวันตกเป็นตัวแทนนี้จเจริญมาด้วยแนวคิดพื้นฐานคือความมุ่งหมายพิชิตธรรมชาติแล้วปัจจุบันนี้ตะวันตกก็กลับมาติเตียนแนวคิดนี้พร้อมทั้งติเตียนบนพรพบุุษของตนเอง ดังเช่นหนังสือเล่มที่กล่าถึงเมื่อกี้ได้ตดเตียบนบรรพบุรุษชาวตะวันตกเต็มที่ว่าล้วนแต่เชื่อผิดถือผิดคิดเห็นผิดพลาดไปมุ่งหมายแต่จะเอาชนะธรรมชาติจึงทำให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดตามแนวคิดทิฏฐิของตะวันตกนั้นมนุษย์มองธรรมชาติเป็นศัตรูจึงพยายามเอาชนะมันแล้วก็จัดการกับมันตามชอบใจ โดยไม่มีความรับผิดชอบยังเอลกอรองประธานาธิบดีอเมริกาซึ่งเป็นนักสิ่งแวดล้อมคือ e n v i r a l m e n t a l i s t ด้วยได้เขียนหนังสือมาเล่มหนึ่งชื่อว่า Earth in the Balance โลกในภาวะดุลยภาพแกบอกว่าเรายอมรับวัตบันตกมีแนวคิดที่ทำใ้อารยธรรมของเรานี้ไม่มีความรับผิดชอบต่อธรรมชาติคิดจะทำอะไรกับธรรมชาติตามชอบใจ ความสำานึกผิดและความผิดหวังต่อแนวคิดทิฐิที่จะพิชิตธรรมชาติของตะวันตกนี้ได้เป็นเหตุให้ฝรั่งหาทางแก้ไขรวมทั้งการหันมาสำรวจและสแสวงหาแนวคิดตะวันออกและแม้แต่ความคิดของชนอินเดียแดงเวลานี้อินเดียแดงที่เคยถูกเยียดยา่กลับได้รับความชื่นชมฝรั่งอเมริกันหลายคนเช่น Al el, แอลกอนั่นแหละได้ยกวาททะของซีแอตเทิล หัวหน้าเผ่าอินเดียแดงซึ่งเอาชื่อมาตั้งเป็นชื่อเมืองซีแอตเทในอเมริกาขึ้นมาเอ่ยอ้างตามเรื่องว่าเมื่อครั้งประธานาธิบดีแฟรงคลินติดต่อขอซื้อที่ดินของอินเดียแดงหัวหน้าเผ่าคนนี้ได้มีหนังสือตอบประธานาธิบดีไปว่าอะไรกันผืนฟ้าและแผ่นดินท่านจะเอามาซื้อขายได้อย่างไรนี่เป็นความคิดที่แปลกประหลาด ตอนนี้คนอเมริกายุคปัจจุบันหันมายกย่องสรรเสริญว่าอินเดียแดงมีความคิดที่ถูกต้องนี่แหละความคิดพิชิตธรรมชาติเป็นเบื้องหลังอริยธรรมปัจจุบันซึ่งเฟื่องฟูเต็มที่ในยุคอุตสาหกรรมที่มนุษย์เอาความรู้วิทยาศาสตร์มาประดิษฐ์อุปกรณ์เทคโนโลยีแล้วก็พัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อความเจริญทางเศรษฐกิจด้วยความมุ่งหมายที่จะสร้างวัตถุให้พรั่งพร้อม ตามความเชื่อว่ามีเสบบรโภคมากที่สุดจะเป็นสุขที่สุดแนวคิดทิฏฐิความเชื่อที่เป็นมโนกรรมนี้เป็นอิทธิพลสำคัญที่สุดที่จะเป็นตัวกำหนดวิถีชีวิตและสังคมถ้าคนในสังคมไทยมีความเชื่อว่าผลสำเร็จจะเกิดขึ้นจากการดนบันดาลของอำนาจเหนือธรรมชาติถ้าคนไทยเชื่ออย่างนี้ สังคมไทยจะเป็นอย่างไรขอให้พิจารณาแล้วขณะนี้เป็นหรือเปล่าสังคมไทยจะโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามได้ตกอยู่ใต้แนวคิดความเชื่อว่าผลสำเร็จจะเกิดขึ้นได้ด้วยอำนาจโดนบันดาลของสิ่งที่นอกเหนือธรรมชาตินี่คือจุดที่เราต้องแก้ปัญหาสังคมไทยถึงขั้นมโนกรรม เหมือนกับที่ฝรั่งขณะ น, นี้กำลังหาทางแก้ปัญหาการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนต้องลงไปถึงขั้นรากฐานความคิดถึงขั้นต้องแก้ความเชื่อในการพิชิตธรรมชาติที่ถือว่ามนุษย์จะมีความสำเร็จและสุขสมบูรณ์ต่อเมื่อมีอำนาจจัดการกับธรรมชาติได้ตามต้องการแนวคิดทิฏฐิสองอย่างนี้เป็นปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาที่สุดตรงไปคนละด้าน แต่จุดที่เป็นตัวแท้ของปัญหาก็อยู่ที่ปมเดียวกันคือมันบ่งชี้ว่าโมโนกรรมสำคัญที่สุดและที่ว่าโลกนี้เป็นไปตามกรรมก็คือเป็นไปตามโมโนกรรมอย่างที่ว่านั่นแหละ